เพราะนั้นถ้าใครเนี่ยเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยนะแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ล้างล้างลางคนนั้นเนี่ยเมื่อกิเลสมันลดลงลดลงลดลงมันมันค่อยๆโดนเราเฉือนลงไปเฉือนลงไปเนี่ยนะไอความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณเรามันจะมากขึ้นจะมากขึ้นคนที่จะพ้นทงสใยได้เนี่ยคือคนที่กิเลสนั่นแหะมันโดนเฉนเอ <S 2> <S 2> เือนทิ้งไปเรื่อยเฉือนทิ้งไปเรื่อยเฉือนทิ้งไปเรื่อยความชัดเจน ของจิตใจที่มันเหมือนกับไม่โดนกิเลสมาบดบังนั่นแหละคนนั้นถึงจะพ้นความเครือบแคลงความสงสัยได้คนที่ยังมีกิเลสเนี่ยนั่มันก็เหมือนมืดหน้าตามัวบางทีมันก็เลยทําให้เราเรามองไม่ชัดเมื่อเรามองไม่ชัดเนี่ยมันเริ่มลังเลแล้วมันก็สงสัยเพราะฉะนั้นความที่เราเนี่ยในที่นี้เนี่นะเนี่ยเลื่อมใสในภาษาสดาเนี่ยเราเอาว่า เชื่อมั่นในผู้นำไหมวันถ้าใครมีจิตที่เชื่อมั่นในผู้นำอย่างไม่สงสยัยคนนั้นนี่จะมีจิตอ่อนน้อมจะมีจิตเคารพจะมีอะไรบ้างดูนะอะไรที่ตามมานะเมื่อเราเราเชื่อฟังเนี่ยเราเชื่อมั่นนี่นะก็จะต้องมีจะเกิดตามมาคือมีความอ่อนน้อมจะมีความเพียรจะมีความที่เรียกว่า ทำหมายถึงว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยต่อเนื่องเรื่อยๆนะทําอยู่เรื่อยๆทํำจนกระทั่งมันจะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้นี่เป็นผลที่ถ้าเราไม่มีจิตกระด้างนะไม่เครียดแคบไม่สงสยัยนั่นเองนะเรามีตัวศรัทธากับผู้นําแล้วจิตมันจะน้อมให้ และการที่กิดน้อมให้เนี่แหละจะทําให้เรากะทําสิ่งนั้นน่ะหรือว่ากระทาตามผู้นํานั้นน่ะไปได้เรื่อยๆตลอดสังเกตดูคนที่จะไม่อยู่กับหมู่กลุ่มหรือคนที่บางทีจะหลุดออกจากหมู่เนี่ยมักจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนคือชักจะไม่เชื่อผู้นํานะเราจะไม่ต้องไปพูดถึง อ, อพ่อท่านก็ได้เราไม่ต้องพูดถึงพ่อท่าน บางทีบางคนทํางานใกล้กับใครที่ที่สมมุติว่าเราเหมือนกับเป็นลูกน้องนะ เ, เราทํางานใกล้กับใครเสร็จแล้วเรามีลูกพี่อยู่อะ่ะถือว่าเป็นเหมือนกับผู้นําเราอะ่ะนะแต่ปรากฏว่าเราไม่ศรัท ธ, ธาเราไม่เคารพเราไม่เชื่อฟังเนี่ยให้เห็นเลยว่าเราชักไม่อยากจะเพียนไม่อยากจะขยันที่จะทํางานด้วยแล้วะเราก็ไม่อยากที่จะทําต่อเนื่องละ ง, งานนั้นเพอเพื่ก็จะทิ้งละ เพราะว่ามันไม่อยากทําอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอันนี้คือสภาพของจิตกระด้างอย่างหนึง่งวพรนี้เป็นเพียงแค่ข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองนะที่ที่จิตกระด้างกับผู้นำเนี่ยนะอันนี้ข้อที่สองดูสิก็ย่อมไม่เกลี้ยงแกล้งย่อมไม่นะเลื่อมใสในพระธรรมคราวนี้พระธรรมไม่ได้เป็นตัวบุคคลแล้ะพระธรรมนี่คืออะไรอะ ความดีเป็นเป็นนามธรรมเป็นคำสอนเป็นอะไรอ่ะหลักการเป็นศีลเป็นตบะเป็นวิธีการต่างๆนะที่จะให้เราเอามาประพฤติมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีเยอะเลยที่คนเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อในคำสอนนะไม่เชื่อในพระธรรมอะไรที่ดีๆต่างๆ อันนี้นี่ไม่ง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เป็นตัวตนบุคคลเนี่ยพวกเรานี่บางทีเราจะรเราจะรู้สึกว่าที่เราเชื่อธรรมะอันเนี้ยเพราะธรรมะนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเราก็เลยเชื่อใช่ไหมเราก็เลยอยากจะทําตามแต่ถ้าบางทีนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะอันนี้มันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า มันของนายแดงเน่ยพูดมาถึงว่าจะเป็นของนายนางนา ง, น, นางหนูเนี่ยพูดมาแต่จริงๆแล้วเป็นคําพูดที่ดีนะเป็นคําพูดที่ดีเนี่ยก็าอาจจะสอนมาดีแต่บางทีเนี่ยให้แม่เรายึดตัวบุคคลมากจนกระทั่งถ้าออกมาจากปากนางหนูแล้วก็ฉันไม่เชื่อถ้ทาท่านจริงๆเขาพูดดีเขาสอนดีแต่เราไม่เชื่อละ เนี่ยเราไม่ศรัทธาในพระธรรมในคำสอนหรือว่าในในในสัจจะในความจริงอันนั้นเรายังติดตัวบุคคลหรือว่าติดสำนักนะบางทีอ้าวนี่มันคำสอนของอโศมกจนถึงจะเชื่อถ้าคำสอนเนี่ยมาจากธรรมกายฉันไม่เชื่อหรอก <c oughs> คือคือเราไม่ได้วัดที่ที่ตัวพระธรรมเข้าใจไม แต่เราไปวัดที่ที่กลายเป็นที่ตัวบุคคลที่ตัวสิ่งของหรือว่าตัวสถานที่ตัวอะไรซะเพราะอันนี้เป็นความกระด้างอย่างหนึง่งซึ่งบางทีเราเผลอเราไม่รู้ตัวว่านี่เรากระด้างละเพราะเราไม่ได้เอาตามสัจจะเราไม่ได้เอาตามความเป็นจริงใช่ไหมเราเราจะไปเอาตามอะไรอะ่ะเอานี่ถ้าทกายสอนอะไรมาเนี่ยเลอะเทอะทั้งนั้นอะ่ะ ถ้าทํามกายสอนอะไรมาเลยเลอะเทอะตั้งเงินนี่จริงๆแล้วเราไม่ได้มามาอะไรอะ่ะเลื่อมใสในตัวพระธรรมแต่เราไม่ชอบใจในบุคคลจริงๆนี่ น, น, นี่จิตเราก็ด่างอย่างหนึ่ง น, นะแต่ว่าคุณรู้ตัวไหมว่าตอนนี้คุณเหมาแล้วคุณเหมาแล้วเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าจิตคุณนี่มันไม่ตรงแล้วจิตคุณนี่มันไม่ชัดแล้ว จิตคุณเริ่มมีความแข็งมีความกระด้านต่อความถูกต้องหรือว่าต่อสิ่งที่ดีนั่นแหละเพราะว่าบางทีเขาพูดมานะ่ะดีเนี่ยแล้วบางทีอีกที่เขามาเถียงกับเราอะ่ะเขาก็เอาคําสอนผู้เจ้ามาเถียงกับเราเหมือนกันนะแม้ธรรมกายเน่ยบางทีเขาก็ยกคําสอนผู้เจ้าที่ถูกมาไอส่วนไม่ถูกไม่พูดนะอันนี้เรายกไว้ก่อนแต่ตอนนี้บางทีเขาก็ยกที่ถูกมาเหมือนกันแต่อัตมากำลังพูดสภาพให้ฟังว่า เราเหมาเข็งแล้วคือคุณจะพูดถูกพระธรรมนี้ถูกหรือว่าไม่ถูกเราไม่เชื่อทั้งนั้นแ่ะนี่จิตคุณกระด้างเหมือนกันนะอันเนี้ยจะยกสภาพให้เราเห็นชัดว่าเราเราเริ่มไม่ใช่ว่ามาตีความหรือว่ามามามีจิตที่ตรงต่อพระธรรมแต่เรากําลังตรงต่อตัวบุคคลเมื่อเรารู้สึกว่าคนนี้ผิดคนนี้ไม่ถูกต้องเราถือว่าพูดอะไรมาทั้งหมดผิดทั้งหมด อันนี้เป็นลักษณะจิตกระด้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเรายกบุคคลไว้จริงแม้ว่าบางทีเขาเจตนาไม่ดีเจตนาร้ายก็ตามนะเอาคําสอนเยอะแยะแล้วทุกวันเนี่ยเอาคําสอนของผู้เจ้าซึ่งถูกต้องตรงจริงเป็นศัจธรรมเอามาแต่มาอ้างหากินเป็นมิจฉาทิฐิมีเยอะแยะเลยมากมายนะแต่นั้นเราต้องรู้สิ อ้าวอันนี้มันบุคคลมันเร็วอะแต่คำสอนถูกต้องอันนี้เห็นหมถ้าคุณชัดเจนคุณแยกแยะได้อย่างนี้อ้าวจิตคุณแสดงว่าคุณให้ความยุติธรรมจิตคุณมีอะไรอะมีความอ่อนมีความน้อมในสิ่งที่มันถูกต้องเราไม่ใช่แบบว่าอะไรอะมองแบบเหมาเข่งมองแบบผิดผิดไม่แยกแยะนั่นแหละ ลักษณะเนี้คือลักษณะที่สองของจิตที่กระด้างจิตไม่แวววายจิตไม่อ่อนน้อมในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องนะเพราะนั้นนี้ต้องระวังนะเพราะมาอย่างนั้นแล้วบางทีเนี่ยเราจะเถียงมากเลยยิ่งลักษณะมาพูดอย่างเช่นนะยิ่งของคริสตของพุทธของอิสลามโอ้โหเวลาไปเถียงกันว่าศาสนาฉันดีกว่านะโอ้โหเถียงกันหน้าดูเลยทั้งทั้งที่บางที เอาก็เขาก็ดีอย่างอย่างของเขามาอันนี้มันดีเป็นสัจจะอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสภาพภูมิประเทศสภาพแวดล้อมหรือบุคคลของเขาก็าอาจจะต้องเป็นลักษณะนั้นแต่ของเราเอาของเรามันไม่เหมาะมันไม่ดีสําหรับเรา อ, ะอ่ะอแต่ว่าคําสอนนั้นถูกต้องไหมละ่ะมันดีไหมละ่ะถ้ามันถูกต้องมันดีเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ดีอแต่ว่าไม่เหมาะบางทีไม่เหมาะที่จะมาใช้กับพวกเราก็ได้อันนี้เราต้องหัดแยกแยะ ถ้าใครหาดแยกแยะอย่างนี้ได้นะอย่างที่บอกคนนั้นก็จะมีความอ่อนน้อมก็จะมีความเพียนแล้วก็มีการกระทาที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะไม่มีหยุดจะไม่ขาดตอนนั้นนั่นเป็นข้อที่สองนะจิตจิตที่กระด้างส่วนข้อที่สามจิตที่กระด้างก็คือเนี่ยเคลือบแคลงไม่เชื่อไม่เชื่อแน่ไม่เลื่อมใสในพระสงค์ นะพระพุทธและพระธรรมและตอนนี้มาถึงพระสงฆ์อันนี้ง่ายมากเห็นได้ง่ายมาพระสงฆ์ก็คือตัวตนบุคคลและตอนนี้เหมือนกับพวกเราเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้จะมาบอกบางทีเราตีคุ้มเลยถ้าเป็นผ้าผ้าเหลืองแล้วก็ไม่ศรัทธาเนี่ยจดหมายได้อ่านเยอะมากเลยที่หลายคนที่พอมารู้จักอโศกเสร็จบอกเดี๋ยวเนี่ย เลิกใส่บาตรแล้วพระผาเหลืองจะใส่ปากจะเจะใส่บาตรแต่พระสีกกเขานั้นร้ <c oughs> ายฉบับมากเลยเขียนมาอย่างนี้ฉบเอ๊ะเมาก็เมาละเริ่มเมาเขาแล้ะจริงๆพระผาเหลืองท่านบางทีบางรูปท่านก็ปฏิบัติดีอยู่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีไปซะทั้งหมดนะเพราะท่านนี่ยเราจะต้องรู้จักแยกแยะไม่อย่างนั้นจิตมันก็ด่างนะเอาไม่ผิดก็ไม่ดีแล้วจะไปใส่ให้ทําไมอ่ะ ถ้าเป็นพระที่ไม่ดีจะไปเลี้ยงไม่ทําไมอันนี้เป็นสิทธิ์ของชาวบ้านนะเมื่อเห็นว่ า, าพระปฏิบัติไม่ดีคือเลี้ยงเอาไว้ก็าศาสนาก็เสียหมดสิอ้าเอ า, เอาใครจะเลี้ยงเขาเขาแล้วแต่แต่เราเองเรามีตาที่ชัดเจนแล้วเพราะเราแยกแยะเรารู้แล้วว่าเออพระรูปนี้ไม่ดีรูปนี้ไม่ดีนะไม่ควรที่จะมาทําให้าศาสนาเสื่อมเสียไม่ต้องเลี้ยง เขาเรียกว่าความบาดความบาดพระอันนี้ไม่ใช่มีทั้งสองอย่างอะพระความบาดโยมก็มีโยมนีม่ใช่ไม่ได้โยมนี่ทํำลายลาบของพระโยมคนนี้นี่แหมพูดจาดูหมิ่นพระนะพูดไม่ดีปากเสียอะไรเงี้ยนะพระความบาดความบาดก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่เนี่ยไม่ไปรับบาสด้วยอะ เอออย่างเงี้ยพระความบาทโยมแต่ถ้าโยมความบาทพระก็คือท่านมาบิณฑ บ, บาตจะไม่ใส่อะไรให้อะ <c oughs> เออไม่ถวายอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีได้ทั้งสองอย่างนะอันนี้อันนี้ก็ให้เห็นง่ายๆนะในด้านของที่เรียก ว, ว่าเราก็ควรมีความเคารพเรื่อมใ ส, ส่ศรัทธาในสงฆ์ถ้าเราเคารพเราเรื่องเรื่มใ ส, ส่ศรัทธาในสงฆ์จะให้เห็นเลยอาตมาเนี่แต่ก่อน ไม่เคารพสงฆ์จริงๆสมัยก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าก็เหมือนชาวบ้านเนี่ยพระทั่วๆไปก็เหมือนชาวบ้านเนี่ะเพราะนั้นอาตมาไม่ศรัทธาบางทีนึกที่บอกว่าเหมือนชาวบ้านเนี่ยคือเรานึกในแง่ลบนะบอกดูซิเนี่ยก็ไม่ทำอะไระแล้วก็มาบินธบัตบินธบาตเสร็จฉันอา้าวันเสร็จก็ดูหนังดูทีวี แล้วนะไม่เห็นทําอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปเรียนหนังสือพระไปเรียนหนังสืออ่ะเอา้าก็เหมือนเราอ่ะแต่กับสบายอ่ะเช้าเช า, ชามาบินเสร็จแล้วคนก็ทําบุญเขาให้เงินไปอีกอ่ะเอออาตมาบอกเออย่างงี้มันมันเอาเปรียบอ่ะมันเอาเปรียบกันจริงๆตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงจริงว่าโอ้ยงี้เอาเปรียบกันเกินไปนะแล้วสักดินาทำไมมีความรู้สึกว่าสักดีนามากดูสิ มาเอาเงินเขายัางต้องให้เขากลาบองนี้โอเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี่ไม่ยอมรับ <S <S ไม่ศรัทธาจนแต่หลงังๆเนี่ยเออพอเราเริ่มมาฟังเทศฟังธรรมบ้างเราเริ่มเข้าใจเอศีลเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเออภาพรูปไหนที่ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเออคราวนี้เราเริ่มเข้าใจขึ้นมาเราเริ่มศรัทธาแล้วเราก็เริ่มรู้จักเลือกพระที่น่าเคารพน่าศรัทธา ส่วนที่รูปไหนที่ท่านไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธาเราก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรด้วยไม่ถึงกับจะไปจัดการท่านนะะแต่เราก็ไม่บริการเราก็ไม่ถวายอะไรเราก็ไม่อ่ะอย่างเงี้ยอืมไม่ไปสูงสิงไม่ไปยุ่งอะไรด้วยนั่นแหละเพราะถ้าเราเองสังเกต ด, ดูนะพอเรามีความเคารพเรามีความเรื่อมใสแม้พระสงฆ์เนี่ยให้เห็นเลยจิตเราเริ่มเปลี่ยนอจริง บางทีหลายอย่างนะหลายอย่างที่บางทีมันมายังจําได้บางทีเนี่ยซื้อขนมซื้ออะไรตอนเป็นฆราวาสโอ้ไปอุตส่าห์เดินไปซื้อถึงตลาดกะกะว่ากลับมาตอนเช้านะกลับกลับมาเดี๋ยวกินให้อร่ออร่อยให้สมใจเดินมาเจอพระอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นจิตเราศรัทธาแล้ว่เราเลื่อมใสในพระสงค์แล้วว่าบางทีเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นท่านเดินบิฏบา ดีๆอ่ะงามๆนะสำรวมดีโอ้โหเราก็ศรัทธาขึ้นมาทีเอาเลยไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยเอาใส่บาทไปเลยเสร็จเอ้าเดี๋ยวเราค่อยกลับไปซื้อใหม่เนี่ยก็เดิค่อยเดินไปตลาดไปซื้อมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นปกติไม่ศรัทธานี่ก็ <c oughs> อร่อยแล้ว <c oughs> นะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกนั่นแหละ แต่พอเห็นไหมพอเรามีศรัทธาเนี่ยโอ้โหเราจะเสียสละได้ง่ายขึ้นกับกับคนที่เราศรัทธาหรือกับพระที่เราศรัทธาเราจะเสียสละได้มากเราจะกล้าเสียสละให้ออถ้าไม่ศรัทธานี่นะแหมอย่าว่าแต่กล้าเลย <c oughs> เพ้อเพอจะทวงเลย <c oughs> จะทวงอีกด้วยทวงคืนไม่ใช่เพียงจะไม่ให้เท่านั้นยังจะทวงอีกนั่นแหละ พราะพลังของความศรัทธาที่เรามีให้กับพระสงฆ์เนี่ยจะมีสูงเพราะว่าพระพุทธบางทีก็แหมพระเจ้ากับปริยพานไปนานแล้วอ่เราก็ไม่ได้เห็นตัวตนท่านอีกแล้วอนะพระธรรมก็มันก็อยู่กับกระดาษอยู่กับตัวหนังสืออยู่กับวัดอยู่กับอะไรพวกนี้นะบางทีเราก็ไม่ค่อยจะไปรู้สึกสะเทือนอารมณ์เราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพระสงฆ์นี่เราเห็นเป็นตัวตนบุคคลเราเห็นการประพฤติ เราเห็นการปฏิบัติเพราะมีผลกับเรามากมีผลกับจิตเราเนี่ยได้สูงเพราะพอเรามีความศรัทธาเนี่ยทําให้เราเปลี่ยนแปลงมากเลยบางทีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพอเราเราศรัทธาท่านและท่านเทศท่านสอนหรือว่าเราได้ฟังคําอธิบายของท่านมาโอ้โหเราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเลยเปลี่ยนแปลงเลยบางคนเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับ องคุลิมาเนี่ยเจอผู้เจ้าแค่ครั้งเดียวหมายถึงว่าไล่ล่าผู้เจ้าเลยนะที่จะเอาดาบฟันผู้เจ้าเยแค่ครั้งเดียวเท่า น, นั้นเองผู้เจ้าก็ตัดแค่สั้นๆคําเดียวไอประโยคเดียวเท่า น, นั้นเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดอะไรเงี้ยนะแค่แค่แค่คุยกันแค่ครั้งเดียวในชะ่โอโหทิ้งดาบเลยองค์คุลิมานี่ทิ้งดาบเล ย, าเ ย, าเลยจากมหาโจรร้ายที่เรียวกว่าใครๆทั้งแผ่นดินกลัว ปรากฏว่าขอบวชเลยเนี่ยทิ้งดาบแล้วขอบวชเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของความศรัทธาที่เรามีให้กับบุคคลเนี่ยจะสูงที่สุดเน่ส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นจะเป็นพลังที่เข้มข้นได้มากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจะมาพูดในเรื่องของอิทธิพลแต่ถ้าเรามีตัวนี้แล้วเนี่ยมันบางทีมันอะไรอะอดีตชาติมันมีอะ เันบางคนเนี่ยอาจจะเจอผู้เจ้ามาแล้วอะไรต่อต อ, อะไรมาแล้วก็ได้นะอาจจะมาไม่รู้นะแต่ว่ายังไงเราก็เกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วนะก็คง น, น่าจะได้เจอบ้าง น, น ะ, <c oughs> อะเอพราะฉะนั้นอิทธิพลพวกเนี้ยมันเป็นบา ร, รมีที่เราสะสมมายิ่งบางทีเราเจอบุคคลเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเจอมาเจอเพราะว่ามันมีบุญพาวาสนาที่จะต้องให้เจอก็ต้องเจอมันมีบุญวาสนาที่ที่ กระทำหรือว่าสังสมเอาไว้นะที่มันเป็นทิศนี้มันเป็นแนวนี้มันเป็นทางนี้ก็เลยต้องมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความความที่เราเคยมีศรัทธาไว้อยู่ก่อนแล้วในอดีตสะสมมาเพราะพอมาเจอปั๊บเนี่ยมันก็ติดได้ง่ายแล้วมันก็ทําต่อได้ง่ายมันก็มีความขยันที่จะต่อเนื่องไปอีกเรื่อยเรื่อยเจอทั้งพ่อท่านบอกว่าอ้านี่ถ้าสมมติว่าชาตินี้นะท่านเกิด จากไปแล้วท่านบอกว่าอีกอกี่ปีเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ฮะอีกกี่ปีอีกห้าร้อยปีถ้าพวกคุณเนี่ยไม่มีทิศทางไม่มีแนวทางที่สั่งสมไว้ในทิศทางแนวทางของอโสกอีกห้าร้อยปีไม่เจอกันหรอกไม่เจอหรอกนานนะห้าร้อยปีคุณคิดดูิถึงเจอคุณก็ไม่รู้จักใช่ไหมละ่ะ ถึงเจอคุณก็ไม่รู้จักเพราะมันคนละทิศคนละแนวแล้วอ่าอ่ามันไม่ถึงเจอก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจ <c oughs> เพอเพออาจจะมาด่าส่งด้วย <c oughs> ไม่แน่นี่นี่สมมุตินะนี่สมมุติแต่ถ้ามันเข้าทิศทางมันเข้ากระแสนเนี่ยบางทีนะขนาดว่าคุณยังไม่เจอเนี่ยคุณแค่จะยินข่าวคนพูดมาเนี่ยนะมันโอ้โหมันขึ้นแล้ะโอ้โหมันรู้แล้วมันเฮ้ต้องไปแล้วต้องไปหาต้องไปเจอให้ได้ ต้องไปอยู่กับหมู่กลุ่มนี้ต้องไปอยู่กับพวกนี้ให้ได้แล้วพอคุณมาอยู่กับหมู่กลุ่มคุณจะรู้สึกเลยเหมือนอย่างกับว่าโอ้โหย่างกับอยู่บ้านเรามันมันมันรู้สึกอย่างกันโอ้โนี่คือญาติเรานี่พี่น้องเราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่าอันนี้เป็นข้อสามเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจริงจแล้วศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่จาเป็นว่าจะต้องแค่โกนหัวนุ่มหม่มผ้าในชุด ความของพระสงค์นะประสงค์ในที่นี้จริงๆแล้วหมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นฆราวาสด้วยกันก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถือว่าเป็นสงด้วยเหมือนกันนะสงสาวกสังโฆนะเป็นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพรนอย่าอย่ไปเข้าใจแค่ว่าสงคแค่โกนหัวนุ่งขมจีวรเท่านั้น อ่านะอันนี้เป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สนะก็ยังคงใช้ภาษาเดิมว่าไม่เครือบแคลงไม่สงสัยนะไม่เชื่อแน่ไม่เลื่อมใสในสิกขาสิกขาก็คือการศรึกษานั่นเองอะไรไม่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อมัน่นไม่เลื่อมใสในการศรึกษาคืออะไรนะเออสิกสิก ศึกษาอะไรบ้างก็เอาง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาสึกสขาสามเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะความเป็นจิตกระด้างดูสภาพของจิตกระด้างจิตกระด้างที่จริงหรือเปล่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้คุณนะ ทั้งไม่เกือบแข่งทั้งเชื่อมัน่นนะทั้งเลื่อมใสไม่สงสัยใดใดทั้งสิ้นเลยคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าจิตของคุณยังบางทีแม้แต่ศีลของตัวเองคุณถือศีลเท่าไหรอ่อ่ะศีลห้าศีลแปดอะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณยังรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะ <c ười> คุณยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะว่าไอ้ที่ถือศีลอยู่ทุกวันเนี่ยมันมันมันถื อ, อยังไงเนี่ย คุณถือไปตำตามเขาหรือเปล่าถ้าคุณถือแบบตำตามเขาหรือว่าถือไปแบบเล่นๆเล่นๆไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไระก็ทำมันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละนะทําไปวันๆถือศีลไปแบบวันๆหนึ่งถ้าอย่างนั้นนะ่ะแสดงว่าคุณมีจิตกระด้านเพราะว่าคุณไม่ได้มีความที่จะหมั่นศึกษาในศีลในจิตในปัญญา คุณไม่ได้มั่นศึกษาแล้วนั่นคือสภาพของความมีจิตกระด้างและอันนี้สำคัญนะเพราะการศึกษาโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาพวกนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ใครไม่มีการศึกษาในอันนี้เนี่ยกระด้างแน่นอนเพราะเมื่อคนเราไม่ศึกษาในศีลสมาธิปัญญาอย่างของพุทธนะแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นคนฮะ จิตจะได้กระดีมันมันยังไงอ่ะมันต้องเป็นคนที่เชื่อตัวเองมันจะต้องหลงตัวเองมากๆหรือว่าหลงโลกโล ก, กีนีเ่เพราะว่าถ้ามาศึกษาศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศึกษาธรรมะนั่นเองมันจะไปมันจะไม่ไปหลงโลกโล ก, กีเพราะว่าอะไรเพราะธรรมะเนี่ยจะฉุดจะดึงคนให้ออกมาจากโลกโล ก, กีเพรันที่บอกว่ากระด้างเนี่ยก็คือ มันจะกระด้างต่อธรรมะมันจะกระด้างต่อศีลมันจะกระด้างต่อสมาธิมันจะกระด้างต่อปัญญาที่ดีที่ถูกต้องวันทุกวันเนี่ยโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองเลยคนที่มีจิตกระด้างแต่เขาพูดหวานนะเออเวลาพูดนี่พูดหวานพูดไพเราะบางคนเนี่ยร้องเพลงโอ้พระมากเลยแต่นั่นนะ่าจิตกระด้าง ก็ด่างต่อธรรมะมากๆไม่รู้ตัวเลยหลงโมหะมากๆด้วยบางคนเนี่ยโอ้โหเอาง่ายๆสร้างหนังสร้างละครทำมาอย่างดีเยี่ยมโอ้โหคนดูนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองโอ้โหขายได้อะไรเป็นเทดิงเลยเออเป็น เ, เนนทน่าเทธาเลยขายชนิดตัว โ, โหขายดิบขายดีอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆไง จริงไงจิตนี่ไม่เลยมีความดีเลยสร้างออกมาแล้วมายั่วยุมายั่วย้อมคนให้คนเลวให้คนต่ําลงก็ด่างมากจิตแบบนี้หยาบไม่รู้ตัวแต่เขาจะหลงไงเขาจะหลงตัวเองเขาคิดว่าโอ้เขาทํามาอย่างดีเขาทํามาให้คนดูแล้วสนุกสนานให้คนชอบให้คนติดให้คนยินดี อ, อพวกบางทีดาราพวกนักร่องนักแสดงหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้แหละ นะแม้แต่หน้ากลางเมืองด้วยเอ่มึงทีพวกหลงหลงเล้อเลอเธอเธอไปตั้งบอลจะไปตั้งไอชนไก่ตั้งสนามมวยตั้งอะไรเล้อเลอเธอเนี่ยกระด้างทั้งนั้นจิตหยาบกระด้างนี่คือจิตหยาบจิตไม่ได้มีความละเอียดละออไม่ได้มีความรู้เลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นแหละจิตหยาบกระด้างมาก พวกนี้ถึงจะทําในสิ่งที่มันเลี้ยวๆไหลๆทั้งนั้นเลยเพราะเราเองเราสํารวจดูตัวเราด้วยว่าเออเราเองเราอย่าไปมีจิตกระด้างแบบนี้นะโดยเฉพาะนี่แหละเรื่องของศีลพยายามอย่าไปกระด้างอะไรที่เราทําได้ดีอะไรเราทําได้ละเอียดพยายามครับนะผลที่ตามมาถ้าเราเนี่ยมีจิตที่นุ่มนวลขึ้นละเอียดขึ้นในศีลจะทําให้เราเนี่ย ยิ่งมีพลังของความศรัทธาในศีลมากขึ้นเมื่อเราศรัทธาในศีลมากขึ้นเนี่ยเราจะมีความเชื่อมั่น ย, ยิ่งขึ้นในการที่เราเนี่ยจะถือศีลหรือถืออธิศีลให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยเืเวลาที่เราพอจะไปทำผิดศีลหรือว่าเราจะไปทำศีลให้มันขาดนะให้มันด่างให้มันพ้อยอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกไม่สบายใจเลย วันคนที่จะไม่กระด้างเนี่ยจะต้องมีฮิลิโอตาปะคือจะรู้สึกละอายรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปต่อสิ่งผิดหรือว่าต่อสิ่งไม่ดีนี่คือคนที่จิตไม่กระด้างแต่คนที่จิตกระด้างเนี่ยทําผิดศีลทําเร็วๆรล่ยๆเชยไม่เพียงแต่เชยเท่านั้นเองบางทีชอบซะด้วยมันไม่เฉยอะ่ะมันชอบซะด้วยบางทีแกล้งคนอื่นเขานะไป อะไรอะ่ะเบียดเบียนไปทํำลายคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเอามาตีไก่อย่างเงี้ยโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะออืเฮฮาเชียร์เข้าไปเชียร์เข้าไปนั่นแหะมันเฉยที่ไหนไม่เฉยเลยซ้ําไปใช่ไหมมันก็ด้างมากมันหยาบมากโอ้โหเห็นความรุนแรงก็ชอบนะทําเข้าไปทําเข้าไปนั่นแหละเนี่ยคือความกระด้างของจิตอส่วนข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะดูนะ คราวนี้ไม่มีเคลือบแคลงไม่มีสงสัยแล้วนะข้อนี้คือเป็นผู้โกรธจัด เ, เป็นผู้โกรธขัดเคืองมีจิตอันโทสะกระทบแล้วมีจิตเป็นเสมือนตะปูนะตะปูเนี่ยในสร ะ, ะพรมมจารีทั้งหลายผู้มีในสระพรมมจารีทั้งหลายนะจิตที่โกรธเนี่ยจิตที่ขัดเคืองจิตที่มีโทสะเหมือนกับตะปูเนี่ยก็นะ นี่แหละจะทําให้คนนั้นเนี่ยอันนี้เราเห็นได้ง่ายอยู่แล้วเห็นได้ชัดว่าพอมันโกรธมันไม่ชอบใจนะออัดขัดเครื่องมันก็ด้างรุนแรงนะบางทีไม่ลงมือก็ลงบากนะด่ามั่งหรือบางทีเอาล่ะไม่หลุดออกมาด้วยวจีกรรมแต่บางทีในใจก็อืหอรนนุนแรงบางคนในใจยังคิดรุนแรงมากเลยนะ คิดถึงขั้นแบบว่าฆ่าแกงเข า, าตบเขาตีเขาคือให้ไปทําจริงบางทีไม่กล้าทาสักกีห่หลายแล้วกลัวเหมือนกันนะแต่จะไปด่าเขาก็กลัวเขาด่ากลับนะคือกลัวเขาด่ากลับได้เก่งกว่าเพราะฉะนั้นบางทีจะไปด่าก็ไม่กล้าดา่าก็ยังดีมาหน่อยอนะแต่ในใจนี่โอ้โหไม่ยั้งเลย ใจนี่ทั้งดา่าทั้งคิดเร็เวๆไล่ๆอะไรกับเขานี่แหละเพราะนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยนี่คือคื อ, คอสภาพของจิตที่กระด้างโดยเฉพาะท่านใช้เนี่ยความโกรธคือความโกรธนี่มันมันให้เห็นถึงความหยาบคายได้ชัดจริงๆแล้วแม้แต่ลาคะนะก็กระด้างเหมือนกันแหละเป็นจิตที่โอ้โห รักใคร่ชอบพอผูกพันรุนแรงอะไรพวกนี้จิตที่หยาบเั่านั้นะจิตที่ไม่ละเอียดหรอกเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความเอารัทเอาเปรียบนะนั่นแหละหัวข้อห้าข้อนี้คือลักษณะของจิตกระด้างแล้วจิตกระด้างห้าข้อนี้เนี่ยมันจะไปทําให้ทุกเรื่องเนี่ยกระด้างได้หมดทุกเรื่องเลยถ้าคุณลองมีจิตอย่างนี้สั่งสมอยู่แล้วคุณไปทําเรื่องไหนคุณก็เอาความกระด้างของจิตอย่างเงี้ยไปใส่ในเรื่องนั้น จะพูดคุยก็ตามจะทาการงานก็ตามนะจะคิดอะไรก็ตามก็คิดแบบกระด้างกระด้างกระด้างจากธรรมะนั่นเองกระด้างจากคุณความดีนะมันก็จะคิดแบบเร็วๆไล่ ๆ, ๆคิดแบบไม่ดีต่างๆอ่ะนี่นี่เป็นเรื่องของความกระด้างนะห้าอย่างอ่ะเอาไว้วันหลังค่อยๆดูเรื่องความเพียรแล้วกนะัน มันจะมีความเพียรอีกห้าอย่างนะเป็นวิธีที่จะให้เราเห็นเห็นว่าคนเราเนี่ยที่จะขยันมันเพียรได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่อยากขยัน่ะหรือว่าขยันไม่ขึ้นอ่าวันนี้คงพอเท่านี้ก่อนนะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะ ความง่วงความหลับนี่ก็กระด้างนะมันไม่สนใจแล้วมันเอาแล้ว